มาถึงอายาที่สี่สิบสาสบสี่นะกำลังพูดถึงเรื่องนบีนวัวและและนบีนบีฮูดนะครับที่ที่แล้วพูดถึงนบีฮูดนบีฮูดสอนศาสนาพี่น้องก็มีศัตรูมาขวางมีไหมมีครับอัลลอฮ์เล่าในะคัมีก อ, อุคาะเลยมีหัวหน้าศัตรูและมีลูกลกน้องรวมตัว ก, กันต่อต้านอิสลาม ทุกยุคทุกสมัยที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งศัตรูมาด้วยนบีเคยขอถุอาเนี่ยนบี ม, มุ h ั m m a d คนสุดท้ายเนี่ยขอถุกอาวายาอัลลอฮ์อยากจะให้คนทั้งโลกเนี่ยอีมานต่ออัลลอฮ์มีคนโทรศัพท์มาหาผมเมื่อกันปรึกษาว่าเอ๊ะทาไมอัลลอฮ์ไม่ให้คนทั้งโลกนี่ إيمان ที่หมดเนี่ยนบีก็เคยขอแล้วในเรื่องนี้นะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้จิบรีนลงมาตอบบอกว่า ถ้าท่านทําอะไรทุกคนอิมานหมดเนี่ยเอานาบีทําอะไรหมดงานตกงานทำที่แค่ท่านการที่มีคนไม่อิมานไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เข้าใจยากพวกเนี้ยก็ให้นบีมาพอนบีเสียชีวิตไปแล้วก็มีอลมกกุล า, ามะกดติดตามมามาอธิบายเนี่ยเรื่องของศาสนานี่ยพี่น้องมันยิ่งใหญ่แล้วงานศาสนานเป็นงานที่เสริคที่สุด งานดะวว่าอิสลามตัปลิกอิสลามนี่เป็นงานยิ่งใหญ่พี่น้องเพราะอะไรไม่มีเงินเดือนจากอัลลอ์ต้องจัดการเองอะไรเองทั้งหมดพี่น้องแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เท่านั้นนะครับพี่น้องเอาวันนี้เรามาอ่านกุรานอายาที่นะครับสามสิบสี่นะครับต่อเ น, นื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะ ว่าด้าَนักตั้งตَุบาชารมมิสลักุมอินนักุมอิจัลละข้ خ َ ا รِ ر ُ و ن ดَ้ ل น ئ ِตْ أ َ ط ุมบ ت ُ م ْมมิสลً ا م มอินนักุมอิจัลละข้าซิรุนอัลลอฮฺมาอ่านเลยมันอร่อยนะจะรู้ความหมายด้วยนะ วาลาอินอัปตะตุมบาชารมมิสลักุมอินนักุมอิจัลละขอซิรุนคำแปลนะครับลาอินวาวะนละลาอินแปว่าถ้าหากวะลาอินและถ้าพวกถ้าหากพวกท่านถ้าหากพวกท่านอัปตะตุมอัปอะตุมแปลว่าพวกท่านเชื่อฟังปฏิบัติตาม ตออัดนะตออัดถ้าหากท่านทางหลานนี่นะเชื่อฟังปฏิบัติตามนี่ใครพูดภาษาเนี่ยภาษาหัวหน้าคนที่แอนตี้อิสลามถามว่า ว, วันนี้หัวหน้าที่แอนตี้อิสลามมีไหมมีครับเอาเอา่ยเชื่อเลยก็ได้อิลโลมินตีอิลโลมินติหัวหน้านะครับหัวหน้าที่แอนตี้อิสลามนะครับแล้วก็มีลูกน้อง อย่างน้อยมีอยู่เยอะมากมีซีอเนี่ก็ใช่เยอะพี่น้องยะฮูดีทั้งหมดอ่าคุมโลกใบนี้แล้วก็ยะฮูดีก็วางแผนที่จะให้ชิยาเนี่ยคุมประเทศมุสลิมทั้งหมดเขาวางกันไว้นะเรารู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งแต่นี่ผมรู้แล้วล่ะยะฮูดีต้องการจะคุมโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวคุมหกรายการเหมือนการเงิน สอการศึกษาสาอะไร ส, มมสังคม 4. ก็ห้หประการที่เศรษฐกิจสังคมการเมืองคุมหมดเลยกับนั่นคือแผนการที่แข่งกับอัลลอฮ์สุบฮานาหูหวะตะอลในค ร, าาร์กุรอานอธิบายว่าไงนะท่านทั้งหลายก็วางแผนอัลลอ์ก็วางแผนแต่แผนของใครเหนือกว่าของอัลลอ์เหนือกว่านะครับ มนุษย์ก็วางแผนทำลายอิสลามทำลายโลกอัลลอฮ์ก็วางแผนแต่แผนสองแผนนี้ของใครดีกว่ากันกุฎอ่านอธิบายชัดเลยนะครับอัลลอฮ์แผนของอัลลอฮ์นั้นละเอียดกว่าฉะนั้นคนที่ยืนพิงอัลลอฮ์สำเร็จคนที่ยืนพิงนบียืนพิงอัลลอฮ์สำเร็จครับพี่น้องท่านยุมยาเลยอาเกียร์บอกต้องอดทนนะต้องอดทนนะต้องอดทนโทษแท้ใจไม่ได้นะครับ ว่าดาอินอัลปตุมบาชารอมมิสลักุมถ้าหากพวกท่านเชื่อฟังปฏิบัติตามบาชารอนแปลว่าคนธรมธรมดาธรรมดาพวกเราเนี่เป็นบัชัดเป็นคนธรรมดานบีก็เป็นคนธรมนนนธรมดานาบีทั้งหมดที่มาในโลกเป็นคนธรรมดาหมดเลยครับทีนี้หัวหน้าคนกาเฟตหัวหน้าคนมุชลีคนมุนาฟิกีนเขาเขาแอนตี้อ่ะ จะเอาคนธรรมดานะมาเป็นนบีได้ยังไงคนเหล่านี้วันนี้ก็เชื่อนะอย่างนี้ยังมีคนกาะเฟเชื่อเหมือนกันว่าถ้าจะมาสอนกันต้องเป็นคนเด่นต้องเป็นคนดังอย่างน้อยต้องเป็นลูกมหาเศรษฐีคนจนๆทาไม่ได้จำมาครับต้องเป็นคนที่อะไรนะเออหนึ่งไม่กินไม่นอนย่งดีใหญ่เลยไม่มีความไข่ในสตรียังดีใหญ่ สามารถเดินบนน้ําได้สามารถเดินแต่นะเหาะได้บินได้เหาะได้ต้องเป็นลูกเศรษฐีตนเป็นคนเป็นลูกเทพยิ่งดีใหญ่เลยเอามาสอนไม่ใช่อะไรนะอะไรตรูตาอะไรนะตูตาลูกเทพนั่นก็ถูกหลอกอย่างแรกพี่น้องใครถ้าไม่มีอนะัลลอฮ์น่ะถ้าไม่ยึดมันนะ่นอัลลอฮ์น่ะพี่น้องถูกหลอกมดอัดวันนี้หลอกทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องใช่ไหม ลูกเท่ากับถูกหลอกอีกแล้วหลอกนะอุบินยาอุสินยาฉะนั้นมุสลิมเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เดินตามกระแสแล้วก็ถูกหลอกหมดเลยนะครับฉะนั้นยึดอัลลอฮ์ให้มั่นยึดสุนนะบีให้มั่นจะไม่ถูกหลอกนะครับวาลอินอัลอตุมบาชารอมมิสลากุมถ้าหาพวกท่านเนี่ยเชื่อฟังปฏิบัติตามคนธรรมดาเยี่ยงพวกท่านหมายถึงนะบีฮูดเนี่ยเป็นคนธรรมดานะครับ เยี่ยงพวกท่านอินนากุมเมื่อนั้นพวกท่านอีดันละคอซีรูเป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่นอนคอซิรูเป็นผู้ขาดทุนอินนัลอินซานาลาฟีคุสริขาดทุนแท้ยังมนุษย์อยู่ในความขาดทุนทั้งหมดอัลลอฮฺประการบอกว่ามนุษย์จะไม่ขาดทุนได้ต้องมีสี่เรื่องหนึ่ง ฮา m a n u สองวะอามิลุสซอลิฮาดหนึ่งมีอีมานสองมีอามันติซอลแล้วแล้วก็เตือนกันให้มีความอดทนเตือนกันให้อยู่ในศาสนาทำความดีสุรที่ต้องอ่านก็ไแล้วเห็นไหมนั่นละยึดให้มั่นสีข้อนี่เลยพี่น้องจะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนครับทีนี้นบีฮูษนะถูกตำหนิจากหัวหน้าคนกาเฟสและลูกน้องรวมตัวกันตำหนิ คุณจะไปเชื่อนะบีฮุดได้ยังไงฮุดมันเป็นคนธรรมดาภรรดาษาอุดูอะมาอูริอาเดมีเป็นคนธรรมดาธรรมดาจริงๆแล้วก็แล้วก็ฮะ ก, กูอ่านญากรเนี่ยกินเหมือนท่านแล้วก็ดื่มนาม้าก็เหมือนท่านแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนล่ะตําหนินะครับแล้วก็ตําหนินบีมุฮัมมัดอีกนะทุกถ้าเอาคําติของ ของคนที่แอนตี้อิสลามตั้งแต่สมยัยนดบีนะมาเรื่อยมานะคําติเยอะมากเลยโอ้โหคําติถ้ารวมแล้วเนี่ยนะสิบห้าถึงยี่สิบข้อเลยนะคําติเพราะนั้นเป็นคนบ้าด้วยเป็นคนเสียสติด้วยเป็นนักบสยากล์ด้วยสารพัดพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนทั้งหมดนบีอดทนไหมอดทนอย่างสูงมากครับพี่น้องและเราเล่าเรื่องอย่างนี้ให้นบีมุฮัมมัดฟังให้เราที่อ่านกุรานได้รับรู้ว่า คนที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นมีศัตรูขวางอยู่ตลอดเวลาขยุมนะต้องต้องหนักแน่นนะครับป้องยึดอิสลามแบบแน่นๆนะครับพี่น้องทีนี้คนจะประเสริฐกว่ากันได้เนี่ยทัศนะของคนกาเฟตเขามองว่าไงนะต้องเป็นคนที่มีฐานะการเงินสูงใช่หรือไม่ใช่ อยู่ฐานะเกานเงินสูงแล้วก็มีตำแหน่งสูงเป็นนู่นเป็นนี้อยู่ในสังคมข็มยเป็นคนสูงหมดเลยแต่อิสลามนี่มองตรงกันข้ามอิสลามมองอย่างนี้คนที่จะประเสริฐกว่ากัน ใ, นใครรู้ไหมอินน่อัครอมากุมอินดอลลอฮิอักุมคนที่ประเสริฐที่สุดคนที่ดีที่สุดอัครอมที่มีเกียรติที่สุดมีคนยกย่องเยอะนะก็คือคนที่มีตักวาอัลล์อมองที่หัวใจเลย ร้นใครที่มีตักวาต่อเอาลอกวนนั่นแหละเป็นคนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดแต่ตรงกันข้ามคนทั่วทั่วไปที่ไม่มีาศาสนาจะยกย่องให้เกียรติคนมีฐานะการเงินเงินจะได้มาอย่างไรฉันไม่รู้โอ้โหรวยที่สุดมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งคนนี้ก็ยกย่องให้เกียรติกันพี่น้องแต่อิสลามบอกไม่ใช่เห็นไมอิสลามนี่มาขวางทุกเรื่องเลยนะ <c oughs> ฉะนั้นคนจึง คนที่เรียนอิสลามแล้วอยู่บนโลกใบนี้สง่างามจริงๆพี่น้องไม่สู้อยู่ให้ใครง่ายๆไม่กราบ ใ, ใครหรอกถ้าจะกราบต้องสามารถสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์แล้วก็สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกถึงจะกราบให้นั่นมุสลิมผู้ศรัทธาต่อหรอกความคิดสะอาดมากครับพี่น้องเอาต่อมาครับคนจาฟิมีความเชื่อว่าตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นอายะต่อไป อ่าายาต่อไปต้องการจะอธิบายว่ die, hum, เาเป็นอารีดของคนกาเฟตทั่วไปในโลกนี้ว่าคนนี้นะครับตายแล้วตายเลยนะครับอาดูครับอายาดูกุมอันนักุมอีดามิตตุมวะกุนตุมตุรอบาวะอีดามา Anakum an n mukhrajun, ayah idukum anakum an n idamittum, wakuntum t u r a b a n w a i a l a m Anakum a n mukhrajun, Allah u akbar. Penang, you know, di cing cing. Ayah idukum, d u k a m p a y a n a ว่าอาดายาออดูแปว่าสัญญาอานี่เป็นคำถามฮุดได้สัญญากับพวกท่านกันนั้นหรืออาญายาดูกลุ่มเขาได้สัญญากับท่านว่าอันนะกุมแท้จริงพวกท่านนั้นหรือเมื่อพวกท่านนั้นมิดตุมแปลว่าตายมามาตายมูตุเมื่อพวกท่านตาย พวกหัวหน้าเขาถามบอกว่าหนะุ้นเนี่ยสัญญาไว้หรือเปล่าว่าอนนักุมอิจามิดตุมเมื่อพวกเขาตายไปแล้ววากุนตุมตูรอบาและเป็นผุยผงไปแล้วตัวรอบแปลว่าดินเปื่อยไปแล้วเป็นดินไปแล้วตายแล้วฝังอยู่ในสุสานอยู่ในกุโบนะเป็นร้อยร้อยตีพันปะีเนี่ยมันก็กลายเป็นดินไปแล้วเป็นปุ๋ยผงไปแล้ว ว่าอ้อมาแล้วก็เป็นกระดูกไปแล้วอั น, นกุมมุครยูนพวกท่านจะถูกนำออกมามุครต์แปะว่าถูกนำออกมาคือฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งกันนั่นเลยเขาถามนาบีฮูดคือพูดกับตรงตวว่าพวกท่านทั้งหลายในเชื่อฮูดเหรอว่าฮูดสารสอนอย่างงี้จริงหรือ ตายแล้วก็มืกอาไปเป็นอะไรนะตายเป็นผุยผงไปแล้วเป็นดินไปแล้วหรือกลายเป็นกระดูแข็งไปแล้วเนี่ยอันนาคุมมุคริยุนแล้วพวกท่านจะถูกนําออกมาอีกครั้งหนึ่งฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งกันนั่นหรือนี่เป็นคําถามแต่ผู้นี้เชื่อเ ล, เลยว่าถ้าตายแล้วเนี่ยต้องไรนะตายเลยเนี่อัลลอฮฺเล่าเรื่องอัครีดาของคนกาเฟตให้มุมินฟังอัลลอฮฺอักบาร อัดูคาตอบไฮฮัตไฮลิมาตอัดูนตรงนี้ชัดเจนเลยนองคนกาฟเชื่อแบบนี้ไฮฮัไฮฮัเนี่ยแปลว่าไกลแปลว่าไกลแปลว่าใบนะครับตักรีดุลิตาีดิลบวดไกลเหลือเกินภาษาอุรุดูอธิบายว่าบะฮุดฮีใบแท มันไกลมากนะครับไฮฮาตแปล ว, ว่าไกลเหลือเกินไกลเหลือเกินพูดย้ำสองครั้งต้องการจะอธิบายว่าความเชื่อของคนกาเฟตนั้นไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นใครที่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นเขาบอกว่าไฮฮาตไกลเหลือเกินไกลเหลือเกินจะเป็นความจริง ที่จะเป็นความจริงใกล้เลือกเกินที่จะเป็นความจริงนะครับลรมาตูอดูสำหรับเรื่องที่พวกท่านได้ถูกสัญญาไว้นบีฮุดสัญญาว่าตายแล้วต้องฟื้นเขาก็พูดดักไว้เลยว่าที่ฮูดอธิบายว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยมันห่างจากความจริงเป็นไปไม่ได้เลยนี่เป็นความเชื่อของคนๆกาเฟ็ ภาษาอุบ ด, ดูอธิบายบอกว่าวันนี้มุสลิมก็ไม่น้อยในโลกนี้ที่อยู่แบบคนกาเฟสนะ่ะมีไหมเยอะมากในอินเดียเนี่ยเต็มเลยนะอัลลอฮ์ในอินเดียเนี่ ย, ย, นะลล ย, ยโหเป็นน้องมีอยู่คนนะนึงอะนามาอยู่ที่นาดวาเนี่ยผมก็ไปซื้อของทุกวันนะ่ะผมเลกก็เป็นฮินดูเหมือนฮินดูเลยหนะ้าตาประสงภาษาพูด พะวันอิดมันอ า, มาตมันนั่งริมผมผมว่าฮะเป็มุสลิมแต่นี้ไม่มีสัญญาลากว่าเป็นมุสลิมแม่แต่นี้เดียวอ่ะอลลอฮ์ให้ไหมฉะนั้นน่ะคนอินเดียเนหินดูเนมันแรงน่ะมันทําลายพี่น้องมุสลิมทีละขั้นละขั้นละขั้นฉะนั้นทหารมุสลิมนะ่ะไม่มีโรงเรียนสอนศาสนาในอินเดียอัลลอฮ์พี่น้องถูกลากไปเป็นหินดูน่ะเต็มไปหมดเลยแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาเจนนัดว่านี่ยห้ามดุลีละวกป้องมุสลิมให้รักอัลลอฮ์และรอัลลอฮ์แต่ว่าเงินมาจากไหนนัดว่ามหาเวลาใหญ่อ่ะเงินสะากาัดหมดเลยน่ะไม่เคยขอเงินจากใครแต่เงินสะกาดทั้งหมดที่เอามาเนี่ยผมเคยเห็นครั้งหนึ่งผมนั่งอยู่บนเรือนาอบดุลหัสซันเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะมีคนมุสลิมคนหนึ่งทีบจักรยานมาออดออดออดมามาถึงก็จอดเดินเข้ามา มานาบูซันคนไหนว่าคนนี้อา้าวะการใส่ถุงมาสะการฉันไปละสละไม่กุ้งไม่ได้คุไไคยไม่ได้ขอน้ามือมา ไ, ได้ทักแค่เอาเงินมาให้แล้วลากลับเลยอ่ะเ้าก็นั่งมองดูโอโ้โหลบอลเราจะขอสะการที่โอโ้โหลมันเหนื่อยจริงๆแต่ของเขาเนี่ยเขาเข้าใจหลักการใช่ไหมพอมีเงินสะการอยู่ไม่ได้ ต้องเอาใส่กระเป๋ามาเอาใส่ห่อมาแล้วเอามายื่นให้กับเอาละมะให้ดูแลครับผิดชอบส ก, กัดของฉันหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับไฮฮาต่ไฮฮ า, าต่าลิมาตูฮาดูนไกลเหลือเกินไกลเหลือเกินที่จะเป็นความจริงสำหรับเรื่องที่พวกท่านได้ถูกสัญญาไว้ไม่ความว่าเขาไม่เชื่อนะว่าตายแล้วฟื้นตายแล้วต้องตายเลยฉะนั้น ภาษาของคนกาเฟตเนี่ยพูนไปเดินที่สวนหลวงรอเก้าเนี่ยพบกับผู้ยาย่ผู้ใหญ่หลายคนนะ่ะนานๆไปทีมันก็หายไปเยอะพงศาว่าลุงไปไหนเข้าไปสวรรค์กันหมดแล้วไอ้เราว่าเรากว่าไปสวรรค์เนี่ยมันงานยากสําหรับเราใช่ไหมต้องมีอีมานต้องมีอามันจิตซอรแร่ต้องมีนามาตต้องทําดีกับพ่อแม่ต้องใจสะอาดทํำกฐีทาําอุหมรงานาศาสนาที่จะต้องไปสวรรค์งานมันเยอะ แต่ไปคุยกับคนกาแฟกนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยมันเดินสูญหลวงราวาว่างก้ามันจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะลอยอัดอัดลอยนุ่งเก๊าสั้นๆเนาะหลังจะเรือยอะเพื่น้องเนี่ยพื่น้องนะเวลาเจอสตางค์ตกเนี่ยพื่น้องทํำยังไงผมเปนะ็นหะ่วงนั่นอะเจอสตางค์ตกเอาสักหมื่นบาทตั้งเนี้ยถามว่าจะหยิบหรือไม่หยิบคิดหนักหน่าอย่าหยิบพี่น้อง พอหยิบเงินหมื่นบาทพับนะกลายเป็นภาระทันทีท่านจะต้องประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าเงินของใครผี่น้องอย่ามองว่าที่รีสกีนะไม่ใช่มองซ้ายมองขวาของฉันแล้วหยิบเข้ามาหมื่นบาทใส่กระเป๋าคนไม่มีศาสนามองว่าเป็นริสกีถ้ามีศาสนามีอิมานหยิบหมื่นบาทไม่ได้หยิบได้ต้องเอาไปประกาศนี่เงินของใครประกาศกี่วันหนึ่งปี ถ้าหนึ่งปีถ้าเรารวยพี่น้องกินบาทนึงก็ไม่ได้ต้องเอาไปให้กับส่วนกลางเห็นยังครับมีหลักการอิสลามอมาฉะนั้นอย่าไปเก็บเงินจะเก็บของตกไปเดิสนสลดครับผมเคยพบครั้งหนึ่งห้าร้อยผมหยิบมานั่นน่ะแล้วก็มาเสียใจทีหลัง Allah. อลออาคุณบัจิบทำไมเป็นพระผลก็ต้องมายอดทีเนี่ยยอดเนี้ยห้าร้อยนะอีกสองเดือนมาหยอดกลับผมจะไม่เอาแล้วคืนแล้ว โยตุนี้กระเพิดมันต้องประกาศางไจงจำไว้แหละเอาละขออุทวารตอบร้องให้อภัยโทษในความผิดส่วนนี้ด้วยครับคุณลินจังพี่น้องครับตกลงว่าวันกิยามะมีจริงไหมมีตายแล้วฟื้นไหมฟื้นครับเอาลอพี่น้องกุรานพูดถึงวันกิยามะมีเยอะมากเลยแล้วก็พูดที่เรื่องวันที่จะฟื้นคืนชีพเนี่ยจากจากกูโบเนี่ยฮะดีสอธิบายไว้เต็มไปหมดเลยขอเล่าเน็ตหนึ่งนะ คนที่เป็นมุมินเสียชีวิตอยู่ในสุสานน บ, บีสอนอย่างนี้ฉันไม่เห็นภาพใดคือหลังจากตายไปแล้วนะอยู่ในกูโบวันฟื้นคืนชีพที่ทุ่งมาชัดต้องผ่านตาช่างผ่านอีกเจ็ดแปรายการนี่นะน บ, บีพูดไปว่ า, วาฉันไม่เห็นภาพใดที่น่ากลัวมากกว่าภาพของคนที่นอนอยู่ในกูโบของเขาภาพอื่นๆ ไม่นักแต่หนักที่สุดก็คือภาพนอนอยู่ในกูโบภาพนี้เป็นภาพที่อันตรายที่สุดนบียังกลัวเลยแล้วก็บอกให้ทุกคนให้ขอดุอาขอความคุ้มครองจากอัลลอ์อย่าให้ถูกลงโทษที่กูโบ อ, อย่างเนี้ยอ um ัลลอฮุมะอินีอัอุซูดิกะมินอาจาบิลกาบรีเห็นไหมว่ามินอาจาเนี่ยที่ขอดุอาก่อนให้สลามนะเพราะนบีกลัวอ่ะแล้วอัลลอ์ก็ ให้เราระวังตัวของเราอย่าให้ทุงงท่งลงถูกลงโทษอยู่นสุสานอยู่ในกุโบนะครับเอาละครับทีนี้เล่านิดหนึ่งคนที่นอนอยู่ในกุโบพะวันฟื้นคืนชีพเนี่ยจะมีมลกาสององค์พยุงเขาขึ้นมาจากหลุมฝังศพแล้วก็หน้าตาหล่อเหลามากวันนั้นอายุเท่าไรสามสิบตอนตายแปดสิบเจ็ดสิบไม่ว่ากันแต่วันฟื้นคืนชีพเท่าไรรู้ไมสามสิบนวดเข่าไม่มี นี่ฮัดยิ้มเราเลยนะขาวไม่มีหนวดไม่มีเพราะดุญยาเราไว้กันเยอะแล้วใช่ไหมพอวันพื้นคืนชีพจริงๆเขาไม่มีหนวดไม่มีขนตาเนี่ยงามสวยแฮนด์ซัมบิวตี้ฟูนหล่อจริงๆโผล่ออกมาจากหลวงฝังศพเนี่ยพออา่านแล้วมีกำลังใจอยากจะทำอามันติซอแล้วนะครับอ่ต่อมาครับตุลงว่าอายาที่สามสิบแปดมาใช่สิอายาที่จะไรนะส อ่านะครับสสามสิบสี่กับสามสาสบห้าสามสิบหกนะครับเอต่อมาอายที่สาสิบเจ็ดนะครับอินเฮอิลาไยะตนดุนยานามูตวะนะฮยวะมนะ์นบมะบอซน อินฮียอิลลาฮัยะตุนัดดุนยานามูตุวานะฮยาวมะนะฮ์นุบมะบะอุซินโอ้โหนี่เป็นความเชื่อนะครับของคนกาเฟตทั้งสามสีอายาที่ผ่านมาเป็นความเชื่อหมดเลยนะครับอินฮียอิลลาอินแปลว่าไม่มี เฮียอิลล์ฮายาตุนาฮายาตุนาแปลว่าชีวิตของเราอดุญยาในโลกนี้อธิบายอย่างนี้ไม่มีชีวิตอะไรหรอกนอกจากชีวิตของเราในโลกใบนี้เท่านั้นคนกาฟเฟเชื่อแบบนี้โลกใบอื่นไม่มีแล้วชีวิตของเราจริงๆก็อยู่บนโลกดุลยาใบนี้แหละโลกใบอื่นไม่มี เห็น <errado> ไหมนี่เป็นความเชื่อของคนกาเฟตมุสลิมเชื่อแบบนี้ได้ไหมไม่ได like? er ้เรานี <Noah> ่เป็นคนสี่โลกนะสี่โลกอาลัมอรวาใช่ไหมอาลัมแหโลกแห่งวิญญาณอาลัมดุนยาอาลัมบารัคแล้วก็อาลัมอาคีระสี่โลกโลกใบแรกเนี่ยอาลัมอรวาเนี่ยอัลลอ์ทสัญญากับเรานะอัลลอ์เรียกวิญญาณประชุมทั้งหมดถามว่าไงนะอัลลอฮตัวเบราบิุม ท่านนี้ไม่จะเป็นพระผู้อาภิบาลของท่านหรือทุกดวงวิญญาณตอบเหมือนกันว่าบาลาท่านนี้เป็นพระผู้อาภิบาลของเราเพราะเห็นเห็นเห็นอัลลอฮ์ไปน้องนั่นะโลกอลาอ ح, ลัมอาวะโรกวิญญาณเห็นอัลลอฮ์สุบฮานะหุวะตาละพอมาอยู่บนโลกใบที่สองโลกดุนยาไม่เห็นอัลลอ์แต่อัลลอ์ให้วัตถุมาแทนให้น้ำมาแทนตอนหิวอยากจะนอนอนัินอนมาแทน อยากจะไปหาใหญ่เอาแอร์เอเอชียมาแทนพอมันโลคอสดีนะเอามาันมาแทนหมดเลยหลายคนเลยนึกว่าอัลลอฮ์ไม่มีแต่นั่นเบื้องหลังคืออัลละฮ์ س ุบ ا า ه และก็ตาดานะครับอินฮิอิลฮายาตุนดุนยาไม่มีชีวิตอะไรนอกจากชีวิตของเราในโลกใบนี้เท่านั้นนามูตุพวกเราตาย วันนะยและเราก็มีชีวิตอยู่อธิบายยักติฟฟิอธิบายว่าพอพ่อตายลูกก็มาแทนลูกมีชีวิตขึ้นมาใช่ไหมพอพ่อแกแล้วก็ตายลูกก็รับผิดชอบดูแลลูกใบนี้ต่อไปอย่างงี้แต่นั้นความเชื่อของคนกาเฟสเนี่ยเชื่อว่าโลกใบนี้แหละอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายตรงนี้โลกใบอื่นไม่มีแล้ว ว่ามานะฮันูบีมาบาอูสีและพวกเราจะไม่เป็นผู้ถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาบาอุสวาถูกให้มีชีวิตขึ้นมาอัลบาสุการฟื้นคืนชีพในวันเตียมะคนกาเฟตไม่เชื่อว่าเป็นความจริงตั้งแต่ยุคนบีฮุดแล้วใช่ไหมยุคนบีนัว ม, มาแล้วไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นนะครับพี่น้อง เา่นั้นนบีที่ AH อัลล์ส่งมาเนี่ยมาสอนเรื่องอีมานหกข้อีอะไรพี่น้องครับอีมานต่อ AH, อัลลอฮ์อมาลต่อมลอัลลัยแกอีมานต่อรัซูลอีมานต่อข้ามพีอีมานต่อวันอาคิรักเนี่ยโลกใบที่5เนี่ยใบใบใบที่4เนี่ยกับโลกอะไรนะอีมานต่อกฎกฏกฏดั้งของอ AH. ัลลอฮ์ คนคาเฟเชื่อว่าตายแล้วตายไหมตายเลยตายแล้วฟื้นไหมไม่ฟื้นแต่มุสลิมถูกสอนว่าตายแล้วต้องฟื้นตายแล้วไม่ตายเลยฟื้นขึ้นมาทําอะไรครับพี่น้องฟื้นขึ้นมาเพื่อมาคิดบัญชีฟื้นมามาคิดบัญชีว่าใครทําดีได้รางวัลดีใครทําชั่วได้ผลตอบแทนชั่วจึงมีนรกและมีสวัส์นะครับคนกาเฟกับมุสลิมเชื่อไม่เหมือนกัน ถ้อยคําของคนกาเฟสเนี่ยคน ท, ทั่วไปกาเฟสเชื่อว่าตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นแล้วพี่น้องนะครับแต่โมเมนต์อัลลอฮ์สอนตรงกันข้ามนะครับเรื่องเชื่อในเรื่องใหญ่นะเรื่องอาตีด่านี่ถือว่าเรื่องใหญ่หมดเลยคนกาเฟสทําความดีบนโลกดุนยานี้ถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์เน่ยมีคนถามผมหลายคนนะอาจารย์แล้วเขาอยู่ยังไงล่ะเขาเป็นยังไงล่ะคําตอบมีกับอิบนุยุดาน ในสมัยนบีมีคนหนึ่งมาถามถึงอิบหนูยุดอาลูกชายของยุนอาเนี่ยเป็นคนดีทำงานสองอย่างดีมากทุกคนพอใจหมดติดต่อกับญาติพี่น้องดูแลพ่อดูแลญาติพี่น้องอย่างดีแล้วก็ชอบเลี้ยงอาหารคนมาถามท่านนาบีอิบหนุยุนอาเนี่ยจะมีประโยชน์ไม่ความดีที่เขาทำในวุฒิโลกอาคีรอานาบีตอบว่ายังไงนะไหมไม่มี แต่นนบีอธิบายว่าเพราะตอนที่เขาอยู่บนโลกดุรยาเบนี้จะเป็นกี่ปีก็าตามไม่เคยขอดูอาบทนี้รอบบิกฟิรลีขอตีอาตียามัดดีโอ Allah โอัลลอฮ์ปดอภัยโทษในความผิดของฉันในวันกียมาไม่เคยพูดคำนี้เลยทั้งชีวิตเพราะอิบยุดอ่านไม่เชื่อว่าตายแล้วฝืดเลยไม่พูดคานี้เราเนี่ะพูดประจำใ่ไากอัลลอ์จ ให้ฉันได้ฟื้นขึ้นมาในวันเกียรมะสภาพควาผู้ศรัทธาต่ออเห็นไหมเราเชื่อว่าตายแล้วต้องฟืน้นฉะนั้นขอดูอาดักไว้ก่อนเลยไปน้องเรา บ, บิร์ฟิลิปขอตีอตียามัดดีอภัยโทษในความผิดของฉันในวันฟื้นคืนเชียบอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาต่อมาครับผมอ่นานทีทีใฟังอินดิษในไปน้องนะตายแล้วฟื้นเนี่ย ท่านอนัสได้รายงานบอกว่าอิดะอัลอดะลอหูบีอับดินไครอนเมื่ออัลลอฮประสงค์จะให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีสังเกตนะเมื่ออัลลอฮต้องการจะให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีเป็นคนที่อัลลอฮพอใจเนี่ยอิสตาอาม่าลูนบีสอนว่าอัลลอฮจะมอบงานให้เขาทำนี่งานที่นั่งในมัสยิดเนี่ย AH อัลลอฮ์ส่งมานะ่ะทีนี้ ดี่ะมี่คนถามท่านนาบี ว, ว่าใกล้ฟัยสตามิลูอัลลอฮ์มอบงานให้เขาทำน่ะมอบยังไงงานยังไงกอน่ะนบีอธิบายให้ฟังยู่ ฟ, ฟิกหูบีอาเมลินซาลีหินกบลัลมาตีอัลลอฮ์จะเปิดโอกาสให้เขาทำอามันท่ซอลและจะให้เวลาเขาให้โอกาสเขาได้ทำงานที่ซอลและก่อนตายผมมองว่างานที่มานั่งฟัง นั่งนมาในมัสยิดขอดวงอาในมัสยิดอ่านกุณอ่านในมัสยิดหาความรูจ้จากมัสยิดนี่เป็นน้องเป็นอามันติศรแล้วแล้วเราทากันก่อนตายใช่เลยไหมใช่เพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไรนี่งา <c oughs> นคือน้องครับงานที่พวกเรามานั่งอยู่ในมัสยิดมันเป็นงานที่ติศรแล้วจริงๆใครบอกครับเพราะนาบีสอนเรามาอย่างนี้ไปนั่งในบาน์ในขับ อ, อัลลอฮ์ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเราใครจะติดคุกตั้งสองปีอ่ะไปรื้อบารอะไรอะ บาเบียอะไรนะจ๊ะผมจริงไม่น่าจะติดนะเพราะมันทำในคนมันเพลินอยู่กับโลกดุนยานะไม่น่าจะไปทําลายนะมาเพราะทําลายยังติดติดคุกสองปีใช่ไหมแต่นี้ถามว่ามุสลิมนะ่ะเข้าไปในบารือเปล่าคนที่คนที่เข้าก็มีแต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าพอเข้าไปแล้วมันจ่ายเจอะเพราะไงมีคนมีอุลมามะอธิบายดีนะมุเมิมกินอาหารนะกินทางเดียวคือทาง ทางปากแต่คนนอนมุสลิมเนี่ยคนกาเฟ่เนี่ยเวลากินต้องกินสี่ทางอ่ะต้องจ่ายเยอะกินทางปากไม่พอกินทางตาอีกกินทางหูอีกกินทางมืออีกใช่หรือไม่ใช่กินทางตา ก, ก็ดูนักร้องอยู่บนเวทีฟังเพลงเอามือรูปคำต้องจ่ายข้างละแสนข้างละหมื่นแต่ผู้ศรัทธาอลัลลอ์เนี่ยกินข้าวกับภรรยา ม, มองหน้าภรรยามันอิ่มเอิบแค่ไหนพี่น้องอลัลลอ์ข้าวคุกกปิก็อร่อย เพราะว่าเรามีศาสนาเรามี إيمان ต่ออัลลอฮ์สุบฮานูัตนาลครับเอาต่อมาอีกเรื่องนะพี่น้องนะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นพี่น้องเชื่อวันอาคิรอดมีจริงเวลาไม่สบายเป็นไงดูดูนะท่านนับีสอนาว่ามัมินเชออินยุซีบุลมุมินะมินนัสอบินวะลาฮานินวะลาวอับิน ح ت ا ل ه م د و د و ب ب ي, ي ه م ه إ ل ا يكفر الله به عن مسيئاته หะดิสติมีดีคนมุ่มินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้เวลาเขาได้รับความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพียใช่ไหมเหนื่อยมาต้องนอนใช่ไหมสองเขาเสียใจแล้วก็เศร้าอกเสียใจมีไหมมีครับข้อที่สามเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยข้อที่สี่เวลาเขาเกิดมีความวิตกกังวลเรายการนี้พี่น้องสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ เป็นรางวัลตอบแทนอันยิ่งใหญ่อัลลอจะลดโทษของเขาบนโลกดุนยาใบนี้ดีไ้มพี่น้องนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮฺพี่น้องอะไรบ้างครับความเหน็ดเหน็เหนื่อยสองเสียใจเศร้าใจความเจ็บป่วยความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นอยู่ในใจพี่น้องถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺอบักบัดอัลลอลดโทษมีบางคนถามว่าฉันไม่ได้ทาบาปเลยอ่ะโทรศัพท์มาหาผมจะตอบอยังไง ก็ต้องนึกเนืออาคุณเล่าไปเล่าไปคําตอบก็มาเป็นอย่างงี้คนที่ไม่ทําบาปหรือรู้ว่าตัวเองไม่ได้บาปเข้าใจว่าตัวเองอสะอาดหมดแล้วถ้าเอาลอดทดสอบเนี่นะให้มีความลำบากให้เหนื่อยด้วยให้เสียใจด้วยให้เจ็บป่วยด้วยให้วิตกด้วยเอาลอดเพิ่มรางวัลตอบแทนที่ดีกว่าให้อาจจะไม่ลดความผิดแต่เพิ่มเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มรางวัลให้กับคนคนนั้นไปน้องอย่าไปเสียใจ งานขั้นบดได้อ <linger ie> ่านรับกำหนดหมดแล้วนะครับเอาต่อมาครับอายาที่38อินหัวอินละรจุลุฟต์ตาะลัลลอฮิกดิบะวะมะนะห์นุเลห์บิมุ่มินอินหัวอินละรจุลุฟต์ตาะลัลลอฮิกดิบะ ว่ามาณหโนลาหูบิมุมินีนี่เป็นคำตำหนินะครับตำหนินบินว่าขาว่าตำหนิเรก็รู้พป่น้งครับนบีถูกตำหนิ ด, ดูกันทุกคนแล้วคนที่เอาคำสอนของนบีมาสอนก็ถูกตำหนิใช่ไหมวันนี้นี่แหละเตือนใจเราให้ยืนหยัดให้อับดูอัลัยฮาบินนวาเยซให้ยึดสุนนะให้แน่นนะครับ ใครตำาน้ก็เชิญนะครับนวไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่นัวสิฮูดฮูดไม่ใช่ใครที่ไหนอินอินแปว่าไม่ใช่ใครอินลารอยุลุนนอกจากเป็นผู้ชายรอยุลุนเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไปเชื่อฮูดได้ยังไงครับเห็นไหมหัวหน้าเขาแอนตี้ บอกกับประชาชนว่าไปเชื่อฮูดได้ยังไงฮูดนะเป็นรอยูรุนเป็นคนธรรมดาและใส่ร้ายอีกอิสตรออัลลอฮฮิการีบกลาวเทศกับอัลลอฮฺกูเรื่องเทศเกี่ยวกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺเห้ไหมไปน้องถูกตำหนินะครับว่าฮูดเนี่ยพูดใส่อัลลอพูดโกหกโกหกนำเรื่องของอัลลมาเล่าว่าอัลลอมีองค์เดียวมันใส่ร้าย พูดโหกพูดผิดหมดเลยว่ามานฮานุลาหูบิมุมินีและเราไม่เชื่อถือเขาแน่นอนเห็นไมนี่หัวหน้าพูดประชาชนก็พูดเหมือนกันสิ่งที่ฮูดนำเอามาสอนนั้นฉันไม่เชื่อเขาอย่างแน่นอนได้ไหมพี่น้องคำพูดคำนี้เอามาอัปยายได้ทุกกับนบีเลยนบีน่าก็เหมือนกันนบีอิบรอฮีมก็เหมือนกัน น บ, บีมุฮัมมัดก็เหมือนกันคนที่ใส่ร้ายน บ, บีมุฮัมมัดวันนี้มีไหมมีคนจะใส่ร้ายน บ, บยีอิบรอฮิมถูกจับโยนใส่ไฟก็เพราะสอนศาสนานี่แหละใช่ไหมอา้าวโยนใส่ไฟจะตายได้ไม่ตายไม่ตายอัลลอฮ์คุ้มครองเห็นยังไปน้องไม่ตายกับอัลลอฮ์คุ้มคับอัลลอฮ์สั่งให้ไฟเย็นเห็ น, หนยังเนี่ยการอยู่กับอิสลามยืนพิงอัลลอฮ์เพียงต้องรับอัลลอฮ์ไม่ให้ คนที่อยู่ยกับอัลลอ์นะอยู่กับศาสนานี้นะครับตกนรกอัลลอ์ไม่ให้ตกครับอย่างแน่นอนทัฟซีภาษาอุรดูอธิบายดีว่าฉันเป็นนบีของอัลลอ์นี่ฮูดเล่านะนะครับฉันเป็นนบีของอัลลอ์ถูกส่งมาจริงตายแล้วให้ฟื้นข้อที่สามประชาชนพูดว่านาบีฮูดเนี่ยสอนเรื่องโกหกโกหกใช่ไหม มันทานกันทะเลาะกันเถียงกันก็มีอุลมะแนะนําอกว่าเรื่องนี้ม่นต้องไปเถียงกันเราเรามีหน้าที่สอนอย่างเดียวใครไม่เชื่อแสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่เปิดหัวใจถ้าเขาเชื่ออัลลอฮ์เปิดหัวใจคนคนนั้นนะครับเอาต่อมาครับเมื่อท่านอบดุลฮุดสอนสอนถูกตำหนิเยอะๆไม่มีใครเชื่อเป็นไงครับดูต่อไปกอลารบบิงสูรนีบิมากาซาบู ขออครับนี่่าสอนเราสอนคนที่อ่านคูนอ่านสอนนบีบอกว่าเวลาคนตำหนิเยอะๆเขาทำไงไปด่าเขาไหมอยา่าไปโต้ตอบเขาไหมไม่ต้องโต้เรามีห้าที่สอนผลสุดท้ายให้ขอดุอาเอาขอว่าไงครับกอล่ะนบีฮูดตกล่าวว่ามาถึงขอดุอาว่า รับบินสุรีฆ่าแต่บระผู้อาริบาลของฉันเอ๋ยอุนสุรีได้โปรดช่วยเหลือฉันให่ไหมอัลลอ์จ่ า, จาช่วยเหลือฉันน้อยบิมากาสซาบูนพราะพวกเขาว่าฉันเนี่ยพูดโกหกฉันนำเรื่องโกหกมาสอนนำเรื่องไม่จริงมาสอนสุดท้ายพึ่งใครพึ่งอลัลลอฮ์ให่ไหม นี่สอนเราคนนี้พี่น้องจะทำงานอะไรงานาศาสนางานดุญยาก็เหมือนกันตบไปงานที่ฮาล่นะทำแล้วมันภาษาวราจะไปไม่รอดเนี่ยทำไงครับอัลลอชาอุลซุนีช่วยฉันหน่อยพี่น้องเห็นยังครับมาให้เราทิ้งอัลลอใหเราโยงกับอัลลอฮฺ سبحانه แววละุ์ุุุุุุุุุุะุุุุุาุาุุุุ อ, อุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ หลังจากขอดธอาแล้วเนี่ยนิสัยของมนุษย์ใจร้อนใช่หรือไม่ใช่การนั่นอินทร์สารอายูลามนุษย์ใจร้อนมนุษย์เนี่ยใจอะไรวุ่นวายสับสนมีปัญหาตั้งแปดเจ้ารายการเรื่องของมนุษย์อย่างเดียวนะอันนี้อัลลอฮ์สั่งเมื่อขอดธอาแล้วให้ช่วยต้องใจเย็นเยนหวังความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อายาตต่อไป قال أما قليل لا يصبحنا نادمين قال أما قليل لا يصبحنا نادمين อัลลอฮพี لي لي ่น้องอัลลอฮฺสอนนะ أما อันเนี่ยมาเดินมันมาจากอันมาเนี่ยก็แถมเข้ามาไม่มีความหมาย อันมาอันมานะครับกอลีลแปลว่าเล็กน้อยในต้นสิบบาลบาวีอธิบาย บ, ายบายอกว่าใดนะเวลาอันเล็กน้อยอ่าซามานุนกอลีนเวลาอันเล็กน้อยให้รอเวลาอันเล็กน้อยต้องรอนะไอรอนี่แหละเป็นปัญหาสําหรับพวกเราวันนี้ใช่หรือไม่ใช่ นี่อัลลอฮ์เล่านะอัามมากอลีหลังจะขอดูอาแล้วใจเย็นเย็นรอสักระยะหนึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ไม่รอสวนใหญ่ไม่รอสามีภรรยาทะเลาะกันต้องให้จบวันนี้กูยามึงแล้วเป็นไงครับพระซักก็สามชั่วโมงมานั่งคิดยามทำไมวะเนี่ย พ่อยายแล้วก็จะหาครูตัวแผลแผตัวอีม้มัมเอ็มอี้ยาเท่าไรยาสามตกสามจบครูคณะใหม่ว่าไงอ่ะโอโทรศัพท์มาหาครูกันทำไมครูคณะใหม่หมก็ว่ายาเท่าไรยาสามตกหนึ่งนั่นใจเย็นเย็นอย่าเพิ่มใจร้อนอรออัมมากลีนรอระยะหนึ่งอันเล็กน้อยครังว่าเล็กน้อยเนี่ยสําหรับพวกเราต้องเป็นเดือนนะ่ะ <c oughs> สรับนบียุคก่อ น, นเนี่ยอสิบวันห้าวันยี่สิบวันนะอ้าวท่านหญิงอิชาตถูกเล่นงานว่าเป็นเป็นชู้กว่าอัลลอฮ์จะประทานกรุราน ล, ลงมาเนี่ยนางอยู่ที่บ้านนะ่ะไข้ขึ้นนะ่ะอ้าเป็นเดือนนะ่ะแล้วนบีก็เครียดพี่น้องขนาดนาบีมาหามัดครอบครัวนบีถูกใส่ร้ายเนี่ยรอนะ่ะเป็นเดือนกว่าอัลลอฮ์จะประทานอันกรุรานมาตัดสินว่านางบริสุทธิ์ นั่นใจเย็นๆพี่น้องทะเลออาะกับภรรยาอย่าเพิ่งยารอไปก่อนถ้าอยู่ไม่ได้ก็เดินออกไปนั่งที่ไหนก็ได้สักสองสามชั่วโมงอย่านั่งอยู่ด้วยกันใช่ั้มต้องใจเย็นๆเนี่ยกุรอาิยะนี่สอนใจเรากอลา ม, มากอลีนกลมมอล่ามาจงอัลลอฮ์ตัดนะอ่ากลอลาอัลลอฮ์ตัดบอกว่าหลังจาก ชั่วเวลาอัเล็กน้อยอัมมากอลีนช่วเวลาอัเล็กน้อยลายุสเบฮุนน่พวกเขาจะกลายเป็นนาดีมินประวัเสียใจกับตองใจคนที่แอนตีนบีหูดคนที่แอนตีนบีทุกนบีอัลลอฮสอนว่า มุฮัมมัดเอ๋ยนบีทุกนบีเอ๋ยมุสลิมเอ๋ยมุมินเอ๋ยใจเย็นเยนไม่ช้าเถอะคนที่แอนตี้นี่แหละจะเสียใจจะกลายเป็นคนเสียใจและต่อมใจนี่ช้าได้ทุกยุคทุกสมัยนะฉะนั้นเรายืนหยัด ก, กับอัลลอฮ์ยืนหยัด ก, กับสุนนะนบีพี่น้องให้ใ ห, ให้แน่นอับดุอาลฮะบินนะวะยิบยิดสุนนะให้แน่นเนี่ยเยาวชนเราเนี่ยห้ามอย่าลื่นลายน้อง มีคนถามผมมีคนมาสัมภาษณ์ผมมาถามว่าวิธีปกป้องลูกหลานไม่ให้ติดยาเสพติดทํำยังไงเป็นด็อกเตอร์มาจากอะไรเนี่ยนิดามาสัมภาษณ์ผมทำยังไงเนี่ยพวกเรากนติดยาเสพติดกันเยอะมันก็แวบเข้ามาเนตเน่นงให้ทํามสองรายการอ่าเขาบอกโอ้มีที่จะบอกมีสิครับขอ้อติเนงอบรมลูกให้นาติดนำมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบรับรองยาเสพติดไม่มีอ ม, มาได้ยังไงดิ นึกขอบคุณนะว่าเรื่องที่สองให้ท่องจำคุณอานพ่อคุณอานนั่นเป็นชีฟาอุนเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดทำสองรายการนี้โอ้โหเห็น <c oughs> ไหมพี่น้องท่านใครที่ฝึกลูกให้นมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะลูกไม่เสียครับแล้วก็ให้ลูกท่องจากุณอานตั้งแต่เล็กๆพี่น้องตั้งแต่ตัวห้าวขครัวพี่น้องฝึกฝึกอ่านกุรอานท่องจํากุรอานสองรายการนี้ลูกไม่เสียคับทุกท่านทั้งหลาย และเราก็ช่วยด้วยอามือจับในอกลูกใช่ไหมอัลลอฮุมาตอฮิรกัลบะฮูวะฮัสเซนฟาร์ะฮูวะบักฟิดดัมช่วกันขอด้วยแม่ก็ขอด้อาโต๊ะก็ขอแชร์ก็ขอเสียได้ยังไงแตนี้แต่หากเราไม่เลี้ยงลูกเองแม่ไม่เลี้ยงลูกเองจะมีคนมาเลี้ยงลูกแทนเรากี่คนสี่คนมิสเตอร์ทีวีมิสเตอร์อินเทอร์เน็ตมิสเตอร์เกม มิสเตอร์โทรศัพท์สี่คนนี่เป็นน้องมาเลี้ยงลูกแทนเลยเราไว้ใจได้ป่ะนะสู่เค้าสี่คนเนี่ยไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เลยก็นั่นเด็กเราวันนี้ติดเกมกันเต็มไปหมดระวังระวังระวังนะครับติดเกมเจะทํำให้ลูกเสียนะคนคาเฟ่ก็เสียบรนมุสลิมก็เสียทั่งที่มีนามานนี่แหละแต่ยังเสียน้อยกว่าคนกาเฟ่นิดนึงเพราะยังมีนามานคุ้มอยู่กับกุญชอ่าน ค, คุ้มอยู่นะครับ เอาคับพี่น้องกอลามมากอลิลพระองค์ตัดว่าอัลลอฮ์ตัดว่าหลังจากนี้ช่วเวลาอันเล็กน้อยนะลายุสเบฮุนนาดาดีมีนพวกเขาจะกลายเป็นผู้ตอมใจให้ไหมพี่น้องท่านคนที่แอนตี aw, ้อัลลอฮ์แอนตี้สุนนะนบีแอนตี้อิสลามถูกอัลลอฮ์ลงโทษหมดพี่น้องจะช้าหรือไวเท่านั้นเองนะครับพี่น้อง อัลลอฮฺเป็นน้องในภาษาตัปซีตอธิบายดีนะเขาว่าอนันเบียมาณาบั่ดะอันแปลว่าบัดะฮูนาหลังจากนี้เล็กน้อยกอลีลอิมามบายบาวีอธิบายว่าซามานุนกอลี ล, ลุนอันซามานินกอลีนหลังจากชั่วเวลาอันเล็กน้อยคนกาเฟตจะถูกทําลายได้ไหมเป็น้องมากับอ่าต่อมาครับอายาสุดท้ายายาที่สี่สิบเอ็ดนะครับ فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعلناهم غساءا، فبعدل القوم غالمين، فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعلناهم غ س ا ء فَبَوَّا دَلِيلَكَ مِنْ غَلِمِينَ ا ل ل َّ ه a أَعْبَدْ يَنْجَانِ y َ ن ْ ج eh. َ ر ْ و ِ ي ْ ن َ فَأَقْرَزْتُ مُصَيْحَةَ بِالْحَقِّ صَيْحَةً ي َ ب ْ ع َ k a m p a n a ْ ع َ ا a n g khong Jibril ยิบรีนมาส่งเสียงดังๆอ่ะตายกันหมดเนี่ยหูมันแตกรับไม่ไหวพี่น้องนึกภาพยิบรีนสิมีหกร้อยปีกอ้าวเบาอะหกร้อยปีกแลอาวก่านบีเคยเห็นภาพจิบรีนขะครั้งหนึ่งในชีวิตเห็นโอ้โหตกใจเลยนี่กันนี่ยิบรีนพี่น้อง โลกใบนี้เป็นขอ ง, Allah. Allah, Allah, งอัลลอฮ์อัลลอ์มีจริงมลาอิก้ามีจริงวันเกียมรติมีจริงตายตายแล้วฟื้นจริงเรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องฟอาอาคอซาตฮูมสุมสไซฮะ อ, อาคอซาตแปลว่าเราได้ลงโทษอสอยฮะเสียงกัมปนาดูเสียงดังๆอาคอซาตแปลว่าทำลายหรือฆ่าหรือผลานชีวิตบิลฮักตี ด้วยความยุติธรรมเป็นความจริงสมความจริงแล้วที่เขาถูกลงโทษพี่น้องพวกพวกนบีฮูดเนี่ยพี่น้องแอนตี้นบีฮูดไม่เอานาบีฮูดไม่เอาอิสลามที่สอนผ่านนบีฮูดใส่ร้ายด่านาบีฮูดไล่รายการพี่น้องเสร็จแล้วขออุอาพรอขออุอาเสร็จกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษท่านบอกว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเอง อ้าวจัดจัดการยังไงครับอัลลอฮ์ให้มาลาอิกา ล, ลงมาเสียงกำบันนาโอ้โหไปน้องครับตายกันเรียบหมดเลยไปน้องฟาจัลนาฮุมกูซาและเรามาถึงเราเอัลล์นะและเราได้ทำให้พวกเขากูซาอันแปลว่าเป็นเศษเป็นชิ้นเหมือนกองขยะที่ลอยน้มใช่ไหมไปน้อง ตายเหมือนเป็ดเหมือนไก่เลยไปน้องเหมือนเศษขยะที่ลอยน้ํากูซาอ่าไปน้องอลัลลอฮฺนี่อธิบายคำพิออ้กุณอ่านอธิบายดีมากเลยไปน้องคนตายเหมือนกองขยะนะไปน้องไม่มีค่าเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีอิมานในหัวใจคนถ้ามีอิมานในหัวใจเนี่ยอลัลลอฮฺจะดูแล ค, ค, คุ้มครองไปน้องครับขึ้นเครงบินเครงบินก็มีบรารักัดนะเอาคนที่พากุณอ่านอยู่ในหัวใจเนี่ย มีฮะดีของท่านนาบีตั้งสิบฮะดีจูในหัวใจเนี่ยขึ้นสายการบินไทยอินเตอร์เนี่ยไทยอินเตอร์มีบราิการในวันนั้นโอ๋นี่พาคนดีของอัลลอฮ์นั่งเครงบินไปจากกรุงเทพหาดใหญ่ใช่ไหมพี่น้องถ้าจะตกเรวกวาก็ตายเฉียดใช่ไหมเพราะว่าตกภาวะเอา้าตายตายเฉียดแต่คนอื่นไม่จะเียดด้วยนะพี่น้องเพราะหัวใจของเราอุ้มกุรอานอุ้มสุนนะนบี อุมอัคลาที่ดีที่สะอาดอากิดาที่ถูกต้องว่าในหัวใจเนี่ยเต็มไปหมดพพอตลาดครับฟาอาคอัาหูมุสไซฮะตูบิลฮักตีดังนั้นเสียงกบะนาดแผ่นดินไหวเป็นการลงโทษได้ฆ่าได้พรานชีวิตพวกเขาอย่างยุติธรรมแล้วเพราะสอนแล้วเป็นนอสกเกตนะก่อนที่อัลลอฮจะลงโทษใครก็ตามอัลลอจะส่งคนมาสอนก่อนพี่น้องจำไปเลย กอที่ลงโทษฟาโรห์ให้ตายส่งใครมาสอนก่อนดมีมาสอนกี่วันโอ้โหหลายปีนะเหมือนกันกรับเนวันนี้นะก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษอัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนนบีไม่หมดแล้วอุลลามะมาสอนต่ออีกใช่ไหมสอนสอนฉะนั้นใครที่ทําผิดอัลลอฮ์จะไม่รีบลงโทษเขาเปิดโอกาสให้เขากระวิงเวลาให้เขาสักระยะหนึ่ง เพื่อให้เขาได้เรียนรู้เรื่องศาสนาได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีตอนนี้มีคนกลับตัวกันเยอะเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงมุสลิมานี่ยกลับตัวกันเยอะมากอลัมด้วยเลยละมีอยู่คนหนึ่งโทรศัพท์มาเล่าว่าชั้นเนี่ยลืมอ่านกุณอ่านไปแล้วแล้วจะทําไงอ่ะตอนนี้อ่านได้แล้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่าชีวิตสิบปียี่สิบปีเนี่ยหาแต่เงินเงินเงินเงิ น, งนไม่ไ ม, มีโอกาสได้นามาศไม่ไมีโอกาสได้อ่านคุณอ่านเลย พอเปิดกอ่านอ่านอ่านไม่ออกก็ร้องไห้อะทำอยูแลแล่เรื่อยๆวันนี้อ่านกูอ่านออกแล้วนะครับพี่ทองฉะนั้นพี่้องกลับอัลลอฮ์ไม่ให้เราตายวันนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับก็ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรียนาศาสนาเรียนศาสนาเท่านั้นที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังอื่นไม่มีครับพี่ทองต่อมาครับฟาัลนาหุมกูซาและเราได้ทําให้พวกเขากระจายเป็นเศษเจ็นชิ้น เหมือนขยะที่ลอยตามน้ำอุลมอธิบายอย่างนี้ครับกุซาเนี่ยตัเสกอธิบายว่าว่ากุชชาจาระใบไม้ที่มันร่วงลงมาตกไปในน้ำซุมมาจัฟฝาแล้วมันก็แห้งแล้วมันก็ลอยนั่นแหละถูกลงโทษแบบใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้มีค่าไหมอันคนกาเฟ่ไม่มีค่าเลยพี่น้องฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้ หากมีค่าเท่ากับเปกยุ่งอลัลลอฮฺจะไม่ให้คนกาเฟตกินน้ำสักอึกหนึ่งเห็นไหมแถลงว่นโลกโดนยาบนี้มีค่าไหมแต่เราว่ามีค่านะมีที่อยู่หน้าสีคอนเนอลัอล่อตารางว่าละแสนเนี่ยโอ้โหขอมีสั ง, งานเดียวพอแล้วนะพี่น้องกับเราเนี่ยพุ่นหลงวัตถุพี่น้องอลากอีกนิดหนึ่งพี่น้องสหฮาบะนาบีเน่มีเยอะนะ แต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะเขาเรียกว่าอาชาบุสุฟะชาวซุฟฟะที่มาอาศัยชายค่านะบีอยู่พี่น้องมีอยู่หลายคนประมาณสามสิบกว่าคนบางวันพี่นอ้องอาลุสุฟฟะนี่นะกําลังนมาดนมาดอยู่นี่นะลม้มเพราะความหิวล้มเพราะความหิวแล้วก็สลับไปหลับทิว พวกบดเวหิมาณมากระท่านนาบีก็พูดว่ามันบ้าแล้วเด่ะพูดตําหนิว่าบ้ามาจานูน่นพอณมาจบแล้วนบีก็เดินมาที่เนี่ยเนี่ยชายคนนี้ ท, ที่ที่ล้มไปสลบไปนะ่ะเพราะความหิวว่างเงินอาหารไม่มีกินอ่ะเป็นลมนะว่าง่ายนะเป็นลม อ, ลอัลลอฮ์นบีพูดเอาไว้ใช่ไหมถ้าหากพวกท่านรู้ว่ารางวัลที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮ์ ถ้าผู้คนรู้นะฉันเห็นในรางวัลที่อัลลอฮ์ให้กับคนประเภทนี้นี่นะในวันกิยามะพวกคุณอยากจะมีชีวิตอยู่เหมือนเขาเหมือนกันพี่น้องเป็นข้อเตือนใจเหมือนกันนะจะนั่นอย่าดูถูกคนยากคนจนหิวหิวบ้างชีวิตสง่างามครับพี่น้องเอาแต่งั้นจะให้มีบวชทาไมหนึ่งเดือนชีวิตที่หิวหิวเป็นชีวิตที่สง่างามครับพี่น้องนบีเคยถามภรรยาบอกว่า ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้มีภรยามีอาหารจะฉันทานไหมภรยาตอบว่าไม่มีบ้านใครบ้านนาบีเห็นยังครับภรยาบอกาหารไม่มีงั้นฉันขอบวชนะเห็นไหมนี่บวชซุนนัดเปน้องสยายตการอธิบายว่าแต่ต้องไม่กินน้ำก่อนกินไปแล้วแก้อย่างผมหมดสิ้แล้วเห่นไหมแต่ต้องไม่กินอะไรเลยเจ็ดงเชาถามภรยาอาหารไม่มไหมไม่มี นี่กชันบวชน่ะเห็นไหมันบวชสนัดบวชได้เลยชีวิตที่หิวหิวเป็นชีวิตที่ทำดูลเลอไปน้องหมอทั้งหมดวันนี้ลงความเห็นแล้วชีวิตที่หิวหิวเป็นชีวิตที่แข็งแรงใช่ไม่ใช่เฉลี่ยนี่ท่านดูหลอกกเก่าก็้เพราะว่ากินน้อยถ้ากินเยอะเราทายกระเจ็ดตามมเลยไปน้องเอาีนพูดออกนอกทางว่แล้วฟาดาลนาฮุมกุซาอัลลอฮฺให้พวกเขากลายเป็น เศษเป็นชิ้นเป็นอนันเหมือนกองขยะที่ลอยน้ำนี่ฮะดิตบุคอรีอธิบายฟาบุาดาลิลเคมีมินเพราะฉะนั้นบุาดาแปลว่าถูกให้ออกห่างอัลลอฮ์บาดาบาอิทนะถูกให้ออกห่างออกห่างจากอะไรรู้ไหมออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าออกห่างจากความเมตาออาาามเมตาคำแปลไง ถูกละนะถูกสาปแลกสาปแช่งแต่เราไม่พูดภาษานี้มันหนักฉะนั้นคนที่ไม่เอาอิสลามคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์คนที่ไม่เอารอซูนไม่เอาซุนนะนบีไม่เอาอัลกรุรอานพวกเขาถูกลงโทษตายเหมือนกองขยะเหมือนใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้แห้งไม่มีค่าเลยครับนอกจากเผาเป็นฟืนอย่างเดียวแล้วเป็นไงครับฟะบุอาดันถูกให้ออกจาก ออกห่างจากความเมตตาลิลนเก้ามี ล, ลิมินจึงเกิดขึ้นแก่ผู้แก่มู่ชนผู้อธรรมเห็นไหมรอเลี้หมู่ชนที่อาธรรมอาธรรมกับตัวของเขาเองทําไมไม่รู้จักอัลลอฮ์ทำไมไม่รู้จักสุนนะนบีไม่รู้จักอัลกรุรอานแค่สามสรายการเองทําไม่ได้ดังนั้นคนซอนเลี้ยงก็คือคนที่อาธรรมกับตัวเองนะครับดะงนั้นกุณอนุญาต น, นี้เตือนนะจุน้องนะ ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ด้กันทุกคนคนที่ไม่เอาอัลอิสลามการลงโทษมีอยู่หลายแบบหนึ่งน้ำท่วมสองแผ่นดินไหวสามเสียงกนนารบาน่าจากชั้นฟ้าลงมานะครับห้าลมพายุแรงๆแล้วก็ไฟไหม้นี่เป็นอาสาบทั้งหมดเลยวันนี้สรายการดินน้ําลมไฟเป็นเนี่ยมะใช่ไหมถ้าแรงกว่านี้เป็นอะไรเป็นอาสาเป็นการทรมานฉะนั้นสี่รายการนี้ขอดุทิศต่อโลกทุกวันอัลลอฮฺจะ เอาหรืยังฉันพร้อมแล้วนะที่จะเล่นงานเหมือนกาซานมีครั้งที่แล้วนะ่ะเราหลอกอัลลอฮ์บริหารอัลลอฮ์ไม่หลับครับอัลลอฮ์ไม่นอนไม่ง่วงนอนอัลลอฮ์ไม่ยุ่งกับลูกกับเมียเพราะอัลลอฮ์บริหารโลกเพื่อจะเป็นผู้เดียวไม่เหมือนพวกเรานะครับเราต้องมีเมียต้องมีลูกเพื่อเอาลูกมาให้กําลังใจเราต้องทําทุกๆอย่างแต่อัลลอฮ์ไม่หนักเป็นท้องหลายสรุปคนที่ไม่เอาอิสลามเป็นไงครับ ถูกลงโทษจากอัลลอ์เหมือนนะครับเหมือนใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นไม้ไม่มีค่าอะไรเลยพี่น้องสังเกตนะคนกาเฟตเวลาก็ร ว, วกกาการวมตัวกันแก้ผ้ากันได้ใช่ไหมคนกาเฟตรวมตัวกันแก้ผ้าได้ไหมได้เแบบ็สงางงามเลยแต่มุมินรวมตัวกันอัลลอฮ์ลดโทษวันไหนครับวันที่ไปทำพิยีขีดทุ่งอะไรอาราฟามีนาอัลลอฮ์บอกวันนี้ฉันอภัยโทษให้คนออกจากนรกเยอะไ mm hmm. ปหมดเลย เพราะเราอีมานต่ออัลลอฮ์คนกาเฟสรวมต่างแก้ผ้าเห็นไหมต่างกันตั้งเยอะเลยเรารวมตัวกันดีผ้าสองสองผืนขออัลลอฮ์จารอภัยโทษให้ฉันด้วยต่างกันไหมต่างกันหนึ่งชีวิตผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไปนอกกับชีวิตผู้ไร้ศรัทธาไม่เหมือนกันสุภานกอัลลอฮุมมาหวเบีฮัมดีกะอัลลอฮิลลอฮิอิลลอห์อันตัลตัลุกวะบุรุลกซุลามาลิกุมะละ์มตุลลอฮ์บะาอกต